ยังไงเราก็ต้องสู้ก่อนจะมานี่ถ่ายท้องส1บเ็ดครั้งก็ชีวิตก็ต้องสู้มาเจอหมอหมอมาจาก อ, อำเภอโกสุมิสัยสารคามให้ยามาสี่เม็ดเราเคยกินเม็ดเดียวหมอบอกว่ า, าไม่เอาแล้วสี่เลยก็เรียบร้อย พอดีนนอไปฉันกูเข้มอ่อกูเข้มเขาบอกว่าต่มแล้วต่มแล้วไปสยอย่างอร่อยก <c oughs> ็ไม่เป็นไรจะมีพลังใจสายางไม่เป็นไรอ่ะบางคนนะแหมพลังใจเยอะแยะแต่ว่าไปยอมแพ้ซะง่าย เพราะฉะนั้นนักศึกษาจะไปได้เป็นรุ่นหนึ่งสองสามอะไรก็ตามถ้าเกิดเสียพลังใจเมื่อไร่แล้วรีบมาหาหลวงพ่อแต่ว่าไม่ใช่นักศึกษาไม่ต้องนาอย่าไปเดี๋ยวพูดน ะ, ะคือว่า การที่เราจะทำงานต่างๆให้เกิดความสำเร็จได้ต้องมีความต่อสู้อย่างชีวิตของหลวงพ่อนั่นจะเข้าแปดสิบแล้วนี่ก็ต่อสู้มาเยอะแพ้ก็มีชนะก็มีก็สุดแลวแต่ยังไงเสียเมื่อมาถึงขั้นนี้ก็ถือว่าชนะมากกว่าแพ้ทีนี้ชีวิต ที่แปลว่าการต่อสู้นั้นนับตั้งแต่วินาทีแรกที่เราถือปฏิสนในคันมันดาเราได้ต่อสู้มาแล้วตั้งแต่วินาทีแรกหากว่าเราสู้ไม่ได้แท้งไม่มาแล้วมนุษย์หายไปจิตวิญญาณดวงนั้นก็เป็นอันว่าสืบต่อไม่ได้ หรือว่าเวลาคลอดเสร็จกายแล้วก็มาตายเสียมันก็เรียกว่าสู้ไม่ได้แพ้ไปแล้วอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นในลมหายใจที่ได้หายใจมาตั้งแต่วินาทีแรกนั่นความจริงวินาทีแรกนั้นใครว่าไม่มีลมหายใจมันมีเพราะว่า เรื่องของลมนี่มันจะต้องเคลื่อนที่อยู่ตลอดตลอดแตยะเวลานับตั้งแต่วินาทีของอาการถือปฏิสนการถือปฏิสนของคนนั้นจะต้องมีดวงจิตวิญญาณดวงหนึ่งเข้ามามิฉะนั้นแล้วเนี่ยส่วนผสมของธาตุจะเจริญวัขึ้นมาไม่ได้การที่จะถือปฏิสนนั้น จิตจะก็ถือปฏิสนต์ตั้งแต่กาละละกาละละนี่เป็นภาษาบาลีถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็ว่าน้ํามันหนึ่งหยดน้ํามันหนึ่งหยดนั้นจิตวิญญาณจะเข้ามาสวม เ, เข้ามาสวมในน้ํามันหนึ่งหยดนั้นเท่ากับน้ํามันหนึ่งหยดกาละละแปลว่าเท่ากับน้ํามันหนึ่งหยด ในขณะนั้นอความเคลื่อนไหวของกาละละนั้นจะเริ่มเคลื่อนอจะเริ่มเกิดการเคลื่อนไหวพอเกิดการเคลื่อนเคลื่อนไหวแล้วจากกะละละก็เป็นอันทชะอันทชะแปลว่าฟองเมื่อเลยจากกาละละนะ้ำมันหยดหนึ่งแล้วทีนี้จะกลายเป็นฟองเมื่อกลายเป็นฟองแล้วกาละละ อันตรชั้อัมพุทธมาจากนั้นอัมพุทธอัมพุทธนี่มันจะมีลักษณะเหมือนกันกับอขไข่้็เรียกว่าไข่ขาวหรืออะไรอย่างงี้แต่ในภาษาบาลีว่าอัมพุทธะจะเป็นก้อนชนิดเหมือนเหมือนกับเป็นก้อนอกัลละอันตรชั้อัมพุทธคณะ นี่ขณะมาถึงขณะแปลว่าขณะขอไขนอนเนสระเขเรียกว่าขณะอันนั้นจะเป็นก้อนเลือดอันนั้นเป็นก้อนเลือดชัดเจนขึ้นพอเป็นก้อนเลือดชัดเจนแล้วในความเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะมาเคลื่อนไหวเอตอนที่มันเป็นรูปร่างแต่มันเคลื่อนไหวมาตั้งแต่กะละละมาแล้ว ทีนี้พอมาถึงาาาามาถึงขนาดและทีนี้มันจะมีสุดท้ายคือเปสีย เ, เปสีเปสีนี่คือก้อนเนื้อจากก้อนเลือดแล้วกลายมาเป็นก้อนเนื้ออันนี้เ็าเรียวกว่าเปสีพอเปสีเนี่ยก็เริ่มแตกสีสัน แขนขาก็จะเริ่ ม, มก็จะเริ่มเกิดขึ้นเขาเรียกว่าปัญจสาขาอันดับสุดท้ายเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเราเนี่ยต้องต่อสู้มาตั้งแต่กระละโนนถ้าหากว่าถูกขับถ่ายทิ้งไปหรือว่าถูกกินยาแท้งไปหรือว่าถูกทำลายไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ก็เป็นอันว่าไม่มาเป็นตัวตนอีกต่อไปก็เลิกกันตอนนั้นทีนี้เมื่อมาถึงปัจจุบันเกิดมาแล้วก็ต่อสู้กันมาเรื่อยต่อสู้ยังไงต่อสู้เพื่อลมหายใจยังไงเสียลมหายใจนี่มันขาดไม่ได้แม้แต่นาทีจะต้องหายใจมาตลอดจนกระทั่งถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้น เมื่อการต่อสู้มาอย่างนี้แล้วมาถึงขั้นนี้ก็จำเป็นที่จะต้องคิดว่าชีวิตของเราเนี่ยต่อสู้มาเพื่ออะไรก็ต่อสู้มาเพื่อประโยชน์ตนและบุคคลผู้อื่นเรียกว่าเมตตาเมตตานั้นแปลว่าการเสียสละเสียสละเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น พอเรามาคิดว่าไอการต่อสู้มาเนี่ยมันน่าหวาดเสียวชีวิตมันน่าหวาดเสียวมาโดยตลอดจะนี้ทำยังไงถึงจะทาให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อตอนและผู้อื่นได้อันดับแรกเขาจะต้องสร้างตัวขึ้นมาเสียก่อนคือสร้างตัวของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเมตตาตนคาว่าเมตตาตนนั้นคือสร้างหลักฐานให้แก่ตัวเราเองเป็นตนว่า สร้างวิชาความรู้สร้างพื้นฐานแห่งความรู้มีเรียนมาตั้งแต่ปรฐมมัธยมมหาวิทยาลัยอันนี้คือการเมตตาตนเมื่อมีครอบครัวเมื่อสร้างหลักฐานขึ้นมาแล้วอันนี้ก็ถือว่าเราได้เมตตาตนแล้วแต่ในขณะเดียวกันที่เราเมตตาตนนั้น สิ่งที่เราจะต้องเสียสละเรามีความรู้เรามีความฉลาดเรามีทรัพย์สินเงินทองเรามีสิ่งที่เราจะทำได้เราก็เสียสละส่วนนี้แต่การเสียสละนั้นไม่ใช่ว่าเรามีร้อยสละร้อยเรามีร้อยสละสองร้อยยืมเขาใชอีกร้อยอย่างเนี้ยไม่ได้ อันนั้นถือว่าไม่ใช่เมตตาแล้วไม่ใช่การเสียสละที่ถูกต้องเพราะว่าการเสียสละที่ถูกต้องนี้ต้อบอกว่ า, าจะต้องแบ่งเป็นสี่ส่วนส่วนหนึ่งเก็บไว้ในเมื่อถึงคราวจำเป็นส่วนหนึ่งเสียภาษีก็เรียกราชภาัทรให้แก่เสียภาษี อีกส่วนหนึ่งนั้นบูชาคุณอีกส่วนหนึ่งนั้นสำหรับใช้ตามปกติเพราะฉะนั้นการใช้ตามปกติจะมีหนึ่งส่วนการเก็บไว้เพื่อเจ็บป่วยจะมีอีกหนึ่งส่วนการเสียภาษีก็มีอีกหนึ่งส่วนอะไรเงี้ยก็แ บ, บ่งออกเป็นสี่ส่วนแล้วก็ เมื่อเสียสละเงินเราไม่มีเราก็ใช้แรงเราช่วยคนอื่นเขาหรือว่าในเมื่อเวลาที่เอเขาขาดสติปัญญาเราเอาสติปัญญาเนี่ยช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นด้วยสติปัญญาก็ือว่าเป็นการเสียสละอา้าวแลกกันเลยกลายเป็นเทศไปละวเอาละหยุดไว้แค่นี้ก่อน <c oughs> ทีนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องฐานของเรานี่จะมีถึงสิบเอ็ดข้อเราจะต้องเข้าใจว่าเราจะต้องศึกษาเรื่องฐานนี้ให้ทะลุผูโปรงเพราะว่ามีแต่คนอื่นพูดให้เราฟังว่าเขาได้ฐาน มีแต่คนอื่นพูดว่าเมื่อเข้าฌานแล้วก็เหาะได้แล้วมีใครๆก็พูดว่าเข้าฌานแล้วม่ต้องกินข้าวกินปลาบางทีก็บอกว่าการที่จะเข้าฌานได้ต้องเป็นตาหรือสอีแล้วก็ในสมัยนี้มองดูทั่วไปไม่เห็นมีใครเข้าฌานได้หาคนเข้าฌานสักคนก็ไม่ได้อย่างนี้เป็นตน้น เพราะฉะนั้นเรื่องของฌานเนี่ยเราจะไปปิดบังกันไม่ได้เราต้องเปิดเผยฌานออกมาให้กระจา่างแจ้งไหนๆเราจะเป็นครูสมาธิทั้งทีเราไม่รู้เรื่องของฌาน mm. ก็ถือว่าเราจะเกิดปมด้อยขึ้นมาในระยะที่ได้อธิบายถึงเรื่องสมาธิมาแล้วและ อธิบายมาถึงเรื่องฌานมาแล้วคือเพียงเพียงผ่านเรียกว่พูดเพียงพอให้เป็นกระสายน้ำยามาเรื่อยๆยังไม่มาถึงขั้นเป็นหลักการจริงๆทีนี้มาถึงขั้นเป็นหลักการจริงๆนั้นเราจะต้องรู้อย่างนี้ว่าเรารู้จุดสำคัญแรกอันแรกก่อนว่าฌาน คือความรู้สึกที่เข้าไปสัมผัสเพราะว่าในการที่เราจะเข้าไปรู้สึกในการสัมผัสในการสัมผัสนั้นเพราะว่าชานนั้นเป็นนามธรรมคนที่เขาจะหยิบยกชานออกมาพูดนั้นมันยากแสนเข็ญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบาลีเขาจะแปลตัวชานนี้ตามตัวอ่ะ หมืนเขาแปลมนุษย์อย่างเนี้ยก็แปลตามตัวแต่ไม่รู้หรอกว่ามนุษย์มีอะไรบ้างยังคาว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงมาจากมณะอุตระอย่างเนี้ยทีนี้ชานขเขาก็แปลว่าเพ่งถ้าหากว่าชานแปลว่าเพ่งแม่นก็เลยไม่รู้ว่าไอไอตัวเพ่งนั่นมันคืออะไร เพราะฉะนั้นเราควรจะมาคิดถึงตัวนี้ก่อนว่าชาญคือความรู้สึกสัมผัสเราต้องใช้คำว่าชาญคือความรู้สึกสัมผัสทีนี้เราจะเปรียบเทียบเหมือนกันกับรสเปรี้ยวที่เกิดขึ้นอย่างรสเปรี้ยวที่เกิดขึ้นนี้ อาจจะเป็นอะไรมะม่วงที่มันเปรี้ยวที่สุดหรือว่ามะเฟือง อ, อมยงอะไรอย่างเนี้ย <c oughs> หรือว่ามะนาวอะไรเป็ น, นต้นทีนี้ในขณะที่เอาของเปรี้ยวเนี่ย เ, เข้าปากเรานี่กัดการกัดของเปรี้ยวนั้นะเวลาที่มันอยู่ข้างนอก คือไอ้อย่างมะนาวอย่างเนี้ยมันอยู่ข้างนอกเนี่ยหมายความว่ามันวางไว้ข้างนอกไอ้เราก็อยู่ที่นี่มะนาวก็วางอยู่ตรงนี้ไอ้ความสัมผัสกับมะนาวที่เราเอามือกรรมเนี่ยมันจะไม่รู้สึกรสเปรี้ยวแล้วก็ไม่รู้สึกสัมผัสอะไรทั้งสิน้นนอกจากว่าจะลู้จะคลมจะจับ อันนี้เขาเปรียบเหมือนกับคนที่ เ, เพูดแต่ปริยัติคำว่าปริยัตินั่นนะ่ะหมายความว่า เ, เป็นภาคทฤษฎีหรือว่า เ, เป็นวาษาอังกฤษว่าทอยรี่เนี่ยอันนี้จะเป็น เ, เรื่องของอยังไม่รู้เหมือนกับเราจับมะนาวอย่างนี้ เมื่อเราจับอยู่เนี่ยเราจะไม่รู้มันเปรี้ยวแล้วเปรี้ยวมันจะเป็นยังไงเราก็รู้ไม่ได้ด้วยอย่างนี้มันอยู่ข้างนอกแต่ว่ามือเราจับแล้วทีนี้พอเวลาเราใส่ปากแล้วเราเอาฟันเรากดประสาทในร่างกายเนี่ยที่มันมีอยู่เนี่ยมันจะร่วมมือกันสแสดงถึงความเปรี้ยวออกมาเรียกว่าเก็ดฟันไปเลย เสียวไปเลยอะไรๆต่างๆนี่มันจะเสียวไปเลยเนี่ยความรู้อันนี้ก็เรียกว่าความรู้สึกและสัมผัสก็คือตัวนี้หมายความว่าความรู้สึกและสัมผัสเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเราพูดชารอย่างเนี้ยใครๆก็พูดได้ฉันบอกว่าช็อกอเชอสระอานอนหนูเนี่เยเลขขัน แท้ที่จริงมันนอนเณรน่ะเลขามาเปลี่ยนน้องหนูซะนี่ฮะ อ, อ๋อแท้ที่จริงถูกของเลขานน่นแหละเพราะว่าเลขาเขาเป็นมหาเนี่ยก็ถูกสิยอ่ทีนี้อ่าเราลองคิดดูว่าถ้าเราเขียนแค่ชานเนี่ยได้อะไรขึ้นมา ได้ความรู้สึกกละสัมผัสหรือไม่ไม่ได้เหมือนกับเรากํามะนาวอย่างเงี้ยเรากําไว้เฉยๆเราจะรู้สึกสัมผัสหรือไม่ไม่มีเพราะฉะนั้นอคําว่ารู้สึกและสัมผัสเนี่ยเราจะต้องจําคำนี้เอาไว้เพื่อที่จะอมาอธิบายเรื่องชาญกันต่อไปเพราะฉะนั้นในเมื่อ คนที่เริ่มมาปฏิบัติมาในภาคปฏิบัติทฤษฎีแล้วมาภาคปฏิบัติเ้ารู้แล้วว่ามะนาวมันเปรี้ยวเราก็จะต้องมาถึงก็นั่งสมาธิอย่างที่นักศึกษามานั่งอย่างเงี้ยพอ n a n ะหลวงท่อก็นำ้อนำอ้าวน้ำละท้าพรเจ้าแลึกถึงอะไรก็ว่ากันไป แต่แล้วก็นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาหงายทับมือซ้ายวางไว้บนตักอันนี้เริ่มหลับอย่างนี้เนี่ยพอเริ่มทีนี้พอเริ่ ม, มชานเกิดหรื อ, อยังยังเริ่มขึ้นต้นเนี่ยมันจะเกิดชานไม่ได้เพราะว่าฟันยังเคี้ยวไม่ได้ประสาททั้งหลายมารับไม่ได้อถึงแม้ว่าเราจะ เ, เข้าปากถ้าเราไม่กดฟันลงมาก่อน ประสาทาต่างๆมันยังรับความรู้สึกและสัมผัสไม่ได้เพราะฉะนั้นอันดับแรกก็ต้องสมาธินึกพุโทโธก่อน <c oughs> บางคนบอกว่าโอ๊ยนึกพุโทโธตั้งเยอะตังะ้งแยะไม่เห็นมันได้อะไรทั้งๆที่เขาได้อยู่แต่เขาไม่รู้หรอกว่าเขาได้อะไรอย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้น ต้องพากันเข้าใจว่าเมื่อเรานั่งไปเนี่ยพุโทโธพุโทโธไปเนี่ยอันนี้คือการไปเก็บเอามะนาวมาวิธีการไปเก็บเอามะนาวมาแล้วก็มากคมไว้ในมือแล้วก็พร้อมที่เราจะเอาเข้าปากเกลียวเอาเข้าปากเอาฟันกดอย่างนี้เพราะฉะนั้นอันดับแรกเนี่ยรสชาติอะไรมันยังไม่มีทั้งนั้นไอ้ปรากฏรสชาติอะไรมีไม่ได้ อมีไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นเราจึงเรียกว่าอาการที่นํามันเอามาอะไรต่ออะไรมาเจอกนท่านเข้าปากเคี้ยวไปเนี่ยอันนี้คือสมาธิอ่าสมาธิสมาธิเนี่ยคือสิ่งที่มีสติถ้าไม่มีสติเนี่ยเราจะว่าตามพระอาจารย์ไม่ได้พระพเจ้า ไปเลยข้าพเจ้าไปเลยแล้วข้าพระเจ้าอะไรนั่นคือหมายความว่าว่าไม่มีสติแต่เขามีสติทุกคนมีสติว่าตามพระอาจารย์ได้อันนี้คือสติแล้วต่อจากนั้นไปพระอาจารย์ก็บอกว่านึกพุทโธแนะนํากันบอกว่าบริกรรมพุทโธทุกคนก็ว่าได้แต่ถ้าหากว่าไม่ได้ ก็ถือว่าไม่มีสติพูดพุดโทโธไม่ได้ก็ไม่ต้องไม่ต้องทำกันะล่าบอกว่าไม่ได้เรื่องละแต่ถ้านึกพุโทโธได้ถือว่าเริ่มของการมีสมาธิเพราะว่าสตินี่เป็นตัวตัวผู้บังคับสมาธิบังคับให้จิตเนี่ยเกิดสมาธิต่อต้านอารมณ์เมื่อ การบริกรรมนั้นได้บริกรรมมากขึ้นหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งร้อยครั้งพันครั้งก็จะถือว่าเป็นการปฏิบัติอันนั้นคือสมาธิอันนั้นนะกำลังกำลังที่จะกดฟันของเราเนี่ยเข้าสู่มะนาอย่างนี้มันจะกดฟันของเราเนี่ยเข้าสู่มะนาให้ได้ทีนี้ เราลองคิดดูว่าเวลาที่ฟันเรากดลงไปสู่มะนาวเนี่ยที่มันเปรี้ยวเนี่ยมันเปรี้ยวยังไงบ้างมันมีทั้งเอเปรี้ยวแสบแสบมีทั้งเปรี้ยวชิดๆิดมีทั้งเปรี้ยวอะไรมันมันไม่ใช่เปรี้ยวอย่างเดียวนะมันจะมีหลายเปรี้ยวมันจะมีหลายเรื่องอยู่ในมะนาว อ, ะอ่ะอันนั้นคือเขาเรียกว่าความรู้สึกและสัมพั์ ในขณะที่จิตของเราเนี่ยพอนึ้พุโทโธเข้าเนืพุโทโธเข้าตัวลอยสบายอันนั้นอะรู้สึกสัมผัสแล้รู้สึกสัมผัสอ น, นั้นคือฌานนี่เรียกว่าฌานเพราะฉะนั้นเราจึงเขียนข้อความไว้ถึงเก้าข้อด้ยวยกันอเราจึงจับใจความได้ว่าฌานคือการรวมตัวของพลังส่วนหนึ่ง พลังส่วนนี้ประกอบไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นคือหมายความว่าเอพอครั้งแรกเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเวลาที่เรานึกพุโทโธเนี่ยเวลาเรานึกพุโทโธเนี่ยมันจะมีกระแสะอันหนึ่งเกิดขึ้นทันทีในระยะที่เรานึกพุโทโธแต่กระแสอันนั้นจะไม่ปรากฏชัดจนกว่า อารมณ์มันจะค่อยๆ ห, ห, ห, หมดไปหมดไปหมดไปหมดไปจนกระทั่งเหลือความเป็นหนึ่งเมื่อเหลือความเป็นหนึ่งแล้วทนี้จะปรากฏชัดอันนั้นคือวิถีจิตนะวิถีจิตที่มันกำลังเดินเข้าไปสู่ปฐมฌานอย่างนี้เป็นต้นมันจะเดินเข้าไปสู่ปฐมฌานใครจะกระโดดไปถึงตัตยฌานทีเดียวไม่ได้มั่นจะต้องขึ้นต้น หมายความว่าเมื่ อ, เ, อเป็นเช่นนั้นกระแสจิตจะบังเกิดขึ้นและกลับกลายเป็นปฐมฌานถ้าไม่มีกระแสจิตอันนี้มันเป็นฌานขึ้นมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาทีา่จิตมันสงบสบายขึ้นมาเนี่ย มันจะเหมือนเห็นแสงมันจะเหมือนเห็นอะไรมันจะเหมือนอะไรต่างๆเหล่านี้ยเห็นเอ็มมิทบ้างเห็น อ, นอะไรบ้างเหล่านี้แค่เรียกว่ากระแสมันจะเกิดกระแสขึ้นเพราะฉะนั้นกระแสะอันนี้ยถ้าหากว่าเราก็คือว่าอธิบายข้อที่หนึ่งไปเลยว่าถ้ายังไม่เป็นหนึ่งเป็นฌานไม่ได้ เราเราลองดูคนนี้ว่าถ้าไม่เป็นหนึ่งเป็นฌานไม่ได้แต่เป็นหนึ่งเนี่ยนะอย่าไปคิดว่าจะต้องเป็นหนึ่งนานตั้งวันหรือตั้งชั่วโมงหรือตั้งครึ้นชั่วโมงมันอาจจะเป็นหนึ่งเพียงวินาทีแล้วมันอาจจะเป็นนึ่งเพียงนาทีอย่างนี้มันจะไม่ยาวยืดไปนานเพราะว่ามันเป็นผสมฌานก็ถึงเรียกว่าเพียงแค่กะนิกาอย่างนี้เป็นต้น ทีนี้มาถึงข้อที่สองคือนิยามอ่าอันนี้มันจะมีสีสันหละทีนี้พอมาถึงอพอมันมีกระแสแล้วนีนก็เกิดสีสันขึ้นสีขาวสีแดงหรือว่าอะไรก็สุดแล้วแต่มันจะมีกระแสขึ้นมาเป็นลักษณะเป็นรูปร่างอะไรขึ้นมาเป็นอย่างนั้นนะ และสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นระยะเริ่มแรกเริ่มแรกของสมาธิข้อที่สามทีนี้เกิดความสุขสบายเขาโอ้โหสบายจริงๆวบบนะั้นไหนนั่งสมาธิวันนี้ได้เพรอไม่เพอเวลาที่ไม่สบายก็วันนี้นั่งสมาธิไม่ได้เนี่ยจะพูดอย่างนี้อันนี้คือการพูดผิด ความสุขเนี่ยก็คือรสมะนาวเราลองคิดดูว่ารสออกมาสัมผัสเนี่ยแต่ไม่ใช่ตัวมะนาวแต่มันเป็นรสของมะนาวไอตัวมะนาวที่เราเก็บมาแล้วมาเคีเ้ยวนี่นั่นคือสมาธิอันนี้ความเปรติคือความหวัดความเสียวมันเปี้ยวอะ่ะอันนี้ ค, คือคือความสุข เลยมาถึงข้อสอี่เราลองคิดดูว่าพอเวลาที่เราทํามันหลายครั้งนะไอช้ชานเนี่ยครั้งนี้เราก็ได้ครั้งก่อนเราก็ได้มาเราก็ได้เอ๊ะมันก็เกิดขึ้นมามันก็จะมีอะเลยกวา่ายิ่งกว่าไอ้ความสุขที่มีอยู่เนี่ยมันก็เลยเรียกว่าปรีเปรมเกษมสีอะไรก็ว่าไป อย่างนี้มันจะขยายตัวคือความสุขตคนี้จะขยายตัวออกไม่ใช่ว่าจะเป็นความสุขชั่วช้างกรบพับขูงูแหลปรินไม่ใช่อย่างนั้นมันจะต่อยาวขึ้นไปเช่นอย่างนั่งสามสิบนาทีนี่มันก็จะได้ตั้ยี่สิบไปเหลือแต่ความเป็นหนึ่งมันก็เกิดความสว่างขึ้นสว่างอันนี้นะ เราอาจจะเอาแสงสว่างเหมือนกันกับไอ้ดวงไฟฟ้าอย่างเนี้ยมันไม่ใช่นะแสงสว่างอย่างนี้มันเป็นนิมิตไม่ใช่แสงสว่างจริงๆแสงสว่างจริงๆมันไม่ใช่เป็นแสงสว่างอย่างนี้แต่มันเป็นแสงสว่างที่มันสว่างเรียกว่าใจมันโล่งๆอย่างเงี้ยว่างๆโล่งๆอย่างนั้นเ้าเรียกว่าสว่าง อนความโล่งๆว่างๆอะไรเป็ปรากฏการขึ้นกับใจของเราโล่งๆว่างๆแต่ไม่ใช่นิมิตเป็นแสงนั่นแสงนี่อะไรอย่างนี้เป็นต้นทีนี้มาถึงสิริแปล ว, ว่ามิ่งขวัญคาว่ามิ่งขวัญคือสักสีซึ่งแสดงถึงความเป็นฌานอย่างเต็มภาคภูมิหมายความว่า อาการกิริยาที่เกิดนั่นเป็นสากลไม่ว่าผู้ใดถ้าเป็นฌานแล้วอาการกิริยาคือความนิ่มนวลในความแข็งแกร่งต่อการกระทบอันเกิดจากอารมณ์ตนและผู้อื่นเก็บ เ, เก็บได้เหมือนศิลาทับ้าคืออารมณ์นั่นอะ่ะมันไม่ สามารถที่จะมาทำจิตใจให้ให้คุณมัวได้แต่มันทับเอาไว้ได้เก็บกดเอาไว้ได้โดยที่มันเกิดขึ้นมาไม่ได้ถือว่าเป็นศักดิ์ศรีของฌานหมายความว่าไม่กระทบกระเทือนต่อปรากฏการต่างๆอันนี้สิรินี่มันก็คงมาจาก คำว่ามิ่งขวัญมิ่งขวัญคงมาจากคำว่าศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีของชาติและการที่เป็นเช่นนี้เนี่ยมันจะเหมือนคือว่าใครมาถึงนี่ก็จะเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดคือความเม่อาภาคภูมิใจภาคภูมิใจว่าอ๋อนี่บังเกิดขึ้นแกเราอย่างนี้อันนี้เราจะ ทีนี้ต่อไปก็เป็นกำลังเราคงทราบแล้วว่าเมื่อจิตได้รวมตัวแล้วหมายถึงการย่อส่วนต่างๆเข้ากัน เ, เรียกว่าผานึกกำลังอันนี้จะเกิดเองโดยธรรมชาติแห่งฌานเพราะว่าการเข้าฌานแต่ละครั้งนั้นเป็นการรวมกำลังหรือผนึกกำลังโดยที่จะเกิดเป็นระยะระยะของการดำเนินฌาน กำลังก็คือพลังนั่นแหละการผนึกเข้ามาโดยที่ว่าแบบเดียวก็ว่าคนไอคนจามมันก็ไม่ใครจะรู้ล่ะไม่กระดุงแต่ถ้าหากว่าไอกำลังมันผนึกยังไม่พอเนี่ยไอเทลัยก็กระโดดทีนั้นแปดความเข้มหมายถึงลักษณะวิญญาณกำหนดความรู้ในการแห่งจิตเช่น ความรู้สึกความสุขก็ดีสบายก็ดีเยือกเย็นก็ดีละเอียดอ่อนก็ดีเหล่านี้มันจะเกิดความเข้มข้นกว่าเดิมคือว่าความสุขมันมีแค่นี้ต่อไปมันจะมีความสุขมากกว่านี้ความสบายมีแค่นี้แต่มันจะมากกว่านี้ความละเอียดมีแค่นี้แต่มันจะมากกว่านี้เขาเรียกว่ามันจะเกิดความเข้มข้นขึ้น เป็นหนึ่งานหนึ่งานสองฌานสามอะไรก็ว่ากันไปนี่คือลักษณะความเข้มขน้นสุดท้ายคือความวางเฉยต่ออารมณ์ต่างๆที่จะประดังกันเข้ามาทุกสารทิศเข้าสู่ใจแม้จะปรากฏเป็นอารมณ์ก็เพียงแต่ผ่านไปไม่แยแสถึงอารมณ์เหล่านั้นจะมีปรากฏการจนกลายเป็นรูปธรรมนามธรรมาซึ่งหากไม่มีอุเบกขา มันจะเกิดความวิปรลาดไปได้เช่นมีอะไรต่อมิอะไรนึกมันปรากฏเข้ามายื้อแย่งเอาชานไปกลายเป็นวิปรัาดเช่นอย่างนิมิตอะไรก็ตามสิ่งอะไรก็ตามต่างๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นในระยะที่เป็นชานนั้นเยะแยะๆทีนี้ไม่วางรูเบิดขาโอ้โหยเสือกระโดดมากลัวหรือว่าผีเข้ามาจะละขัขันพอ อย่างเนี้ยลักษณะที่มันเกิดขึ้นมีพอมันอุเบกขานี้ไม่ได้เนี้ยลืมตาต้องกระจายไม่ทําเลยหรือบางทีไรเสียสติไปเลยอันนี้คืออุเบกขาจะนี่อุเบกขาเนี้ยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอุเบกขาเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นจากการผลึกกําลังอการผลึกกําลังของข้อเจ็บเนี้ยมันจะต้องมีการผนึกกําลังเพราะว่า การแผดกำลังนี้จะกลายเป็นอุเบกขาข้อที่เกในการที่ได้อธิบายมาถึงลักษณะของฌานนั้นเพื่อต้องการที่จะให้นักศึกษาทั้งหลายเนี่ยได้มีเอความเอาใจใส่ในรู้สึกและสัมผัสนั้นเอาไว้เป็นข้อเอาไว้เป็นข้อไตเติ้ลแล้วก็ต่อไปทั้งเก้าข้อนี่จะมีลักษณะ อย่างนี้แหละชาญมันจะเป็นลักษณะซึ่งไม่พ้นจากนี้ไปได้ที่รีบอธิบายมาวันนี้ก็คงจะมีเหตุการณ์จำเป็นเกิดขึ้น